ส, สัมผัสสยองวิญญาณสองที่น้องรงทางสามแแพงเมื่อตอนที่หน่อยเรียนอยู่ชั้นป .5 หลังเลิกเรียนเธอจะต้องไปเรียนพิเศษทุกวันตึกที่ไปเรียนพิเศษนั้นอยู่ใกล้กับสนามกีฬากลาง ซึ่งถนนเส้นนั้นเป็นทางสามแพรง่งไฟตามทางมักจะติดติดดับๆับและเกิดอุบัติเหตุจนมีคนตายอยู่บ่อยๆทางเข้าที่จะไปถึงตึกที่เรียนพิเศษก็ดูวังเวงตรงปากทางมีร้านขายขนมอยู่สองร้านบริเวณ น, นั้นจะมีตึกเก่าๆตั้งตระหง่านเป็นคู่อยู่สองตึกซึ่งตึกหนึ่งครูใช้เป็นที่สอนพิเศษ หน่อยก็เดินไปเรียนที่ตึกนั้นทุกวันเย็นของวันหนึ่งวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ที่สิบสามพอดิบพอดีเวลาประมาณห้าโมงเย็นขณะที่หน่อยกําลังเดินไปเรียนพิเศษตามปกติเธอก็เห็นรถกู้ภัยจอดปิดทางเข้าเอาไว้ทำให้หน่อยต้องเดินอ้อมไปเข้าอีกทางเมื่อหน่อยเดินเข้าไปในห้องเรียนก็เห็นว่ามีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ แล้วก็เห็นครูกับรุ่นพี่คนหนึ่งนั่งคุยกันเมื่อหน่อยเข้าไปนั่งคุยด้วยจึงได้รู้ว่าเมื่อสักครูมีคนโดนรถสิบล้อทับที่ปากทางเข้าด้านนอกคนหนึ่งเสียชีวิตในทันทีส่วนอีกคนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหน่อยรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเธอนึกได้ว่ารถกู้ภัยที่เธอเห็นคงจะมาจอดเพราะอุบัติเหตุนี้นั่นเอง โชคดีที่เธอไม่ทันได้เห็นสภาพศพเพราะเดินนอ้อมไปเข้าอีกทางเสียก่อนเธอได้มารู้ทีหลังว่าเด็กทั้งสองคนที่เสียชีวิตเป็นพี่น้องกันคนพี่เรียนอยู่ชั้นมสองส่วนคนน้องเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งวันที่เกิดเหตุทั้งสองกําลังขี่รถกลับบ้านหลังจากตีเทนนิสเสร็จคนน้องเป็นคนขี่รถ ขณะที่กำลังเร่งเครื่องแซงรถสามล้ออยู่นั้นคนน้องไม่ทันได้ระวังจึงทำให้สายกระเป๋าเก็บเทนเนสิสไปเกี่ยวกับรถสมล้อเป็นเหตุให้รถล้มลงไปอย่างแรงทั้งสองรถล้มลงไปนอนอยู่บนถนนในขณะที่คนพี่พยายามจะลุกขึ้นมารถสิบล้อที่ตามมาด้านหลังเบรกไม่ทันจึงทับศีรษะคนพี่เสียชีวิตทันที ส่วนคนน้องแม้ไม่ได้ถูกรถทับแต่ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุนั้นก็มีเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกเกิดขึ้นมาเรื่อยร้านขนมที่ปากทางซึ่งจะมีอยู่สองร้านร้านแรกอยู่กันหลายคนแต่ร้านที่สองมีผู้ชายอยู่คนเดียวครูที่โรงเรียนสอนพิเศษเล่าให้หน่อยฟังว่า หลังจะเกิดดูบัติเหตุรถชนพ่อค้าร้านที่สองก็เจอเหตุการณ์ประหลาดตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเ็จเศษขณะที่เขากำลังดูบอลอยู่ก็ได้ยินเสียงของเด็กสองคนคุยกันทั้งทังที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่หน้าร้านของเขาเลยพ่อค้ากลัวมากรีบปิดร้านในทันทีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้น ก็ได้เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เช่นเดียวกันรุ่นน้องของหน่อยที่โรงเรียนก็เล่าให้หน่อยฟังว่าพ่อแม่ของเขาทําอาชีพรับส่งเนื้อหมูจะต้องตื่นประมาณตีสามตีสเพื่อไปส่งหมูและต้องผ่านเส้นทางนั้นเป็นประจําบางทีพ่อกับแม่ก็จะเจอเด็กผู้หญิงบางทีก็จะเจอเด็กผู้ชายยืนตรงบริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่ยบอย คนแถวนั้นเล่ากันว่าบางทีสองพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วจึงยังวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ก็อาจจะกําลังรอตัวตายตัวแทนอยู่เพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดแม้จะมีคนนิมนต์พระไปทำพิธีถึงสองครั้งแต่คนที่ใช้ถนนเส้นนั้นก็ยังเจอสองพี่น้องอยู่ บ, บ่อยๆจนบางคน ไม่กล้าที่จะใช้เส้นทางนี้ไปเลยหญิงสาวที่ชั้นสี่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ผมได้สอบติดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากเมื่อเดินเข้าไปด้านขวามือจะเป็นสนามหญ้า ตรงไปจะเป็นลานหน้าเสาธงและเสาธงจะอยู่หน้าตึกหลังหนึ่งที่มีลักษณะเก่าแก่ที่สุดของโรงเรียนที่นี่มีทั้งหมดห้าตึกผมได้อยู่ตึกที่ห้าเพราะเป็นตึกสําหรับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆเชา้าผมจะต้องเข้าแถวที่ลานหน้าเสาธงเพื่อเคารบธงชาติหลังจากที่เข้าแถวเสร็จก็ขึ้นห้องไป เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนในคาบแรกวันนั้นคาบแรกของผมเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ผมกับเพื่อนๆนก็เรียนกันไปตามปกติจนถึงเวลาพักเที่ยงก็ชวนกันออกมากินข้าวพวกเราก็นั่งกินไปคุยเล่นกันไปพอกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ผมก็เลยชวนเพื่อนๆนไปห้องสมุด ซึ่งอยู่ตึกสี่ชั้นสองถ้านับระยะทางจากตึกเรียนของผมกับห้องสมุดแล้วมันก็ไกลอยู่พอสมควรแต่ว่าห้องสมุดนั้นอยู่ใกล้กับโรงอาหารพอไปถึงห้องสมุดก็เดินดูหนังสือได้หนังสือที่ถูกใจก็หยิบมาแล้วนำไปทำเรื่องขอยืมกับบานนารรณาลักษ์ผมมองนาฬิกาก็เห็นว่า ใกล้เวลาที่จะเข้าเรียนแล้วจึงพากันกลับห้องเรียนหลังจากนั่งเรียนไปจนถึงวิชาสุดท้ายและเลิกเรียนผมก็ต้องเอางานที่ทำค้างไปส่งคนครูที่ตึกสี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมมาคนเดียวและจะต้องขึ้นไปยังชั้นสี่ซึ่งคือชั้นบนสุดตอนนั้นเป็นเวลาห้ามงครึ่งแล้วระหว่างทางที่เดินไปก็ผ่านห้องโสด ที่อยู่กลางตึกผมรู้สึกว่ามันเงียบและวังเวงมากจึงรีบเดินเพื่อจะเอางานไปส่งที่โต๊ะครูพอไปถึงห้องก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้องเลยผมรีบวางงานไว้บนโต๊ะแล้วเดินออกมาค้ากลับผมก็ต้องเดินผ่านห้องโถดอีกครั้งแล้วหางตาผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในห้อง เมื่อผมหยุดเดินแล้วหันไปดูก็เห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นรุ่นพี่ของผมเธอใส่เครื่องแบบยูวกาชาตยืนหันหลังลบกระดานอยู่เหมือนเธอจะรู้ว่าผมมองเธอค่อยๆหันหน้ามาแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็ทำให้ผมตกใจแทบชอ็อกเธอคนนั้นมีรอยชำ้ำ และมีเลือดไหลออกมาจากคอแล้วเธอก็แลบลิ้นออกมาหน้าตาน่ากลัวมาเหมือนคนกำลังขาดอากาศหายใจผมตกใจสะดุ้งร้องเสียงหลงแล้วเรียบวิ่งหลับหูหลับตาออกมาจากตรงนั้นแทบจะตกบันไดพอลงมาถึงชั้นล่างผมก็ยืนหอบอยู่พักใหญ่คิดว่าเมื่อกี้มันคืออะไรกัน ในระหว่างที่ผมกำลังสงสัยอยู่นั้นก็เห็นป้าพานรงเดินผ่านมาผมรีบเดินเข้าไปหาป้าแล้วเล่าเรื่องราวที่ผมเจอให้ฟังถามป้าว่าที่ห้องนั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าป้าพานรงจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งมีปัญหาชีวิตเธอเดินเข้าไปยังห้องโสดนั้นแล้วคิดสั้นฆ่าตัวตาย ้วยเอาเชือกที่เตรียมมามัดกับพัดลมเพดานแล้วแขวนคอตัวเองหอยตายอยู่ภายในห้องนั้นพอผมได้ยินที่ป้าเล่าก็ขนลุกไปทั้งตัวผมถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นแต่ป้าแก่ก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังต่อแล้วป้าพานโรงก็เดินจากไปผมจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้และไม่กล้าที่จะไปยังตึกสี่ คนเดียวอีกเลยเรื่องหลอนของรุ่นพี่ที่จมน้ำเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณหกเจปีก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูน้ำหลากมีน้ำท่วมอยู่หลายแหง่งแต่ที่โรงเรียนของเราปลอดภยัยน้ำไม่ท่วมในโรงเรียนของเรานี้ มีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นเด็กเรียนดีเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นที่รักของบรรดาคุณครูเขาชื่อว่าพี่มังกรแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นขณะที่พี่เขาได้ไปเล่นน้ำกับน้องในคลองแห่งหนึ่งพอเล่นไปได้สักพักก็เห็นน้องมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่ากำลังจะจมน้ำเพราะตอนนั้นกระแสน้าก็พัดแรงอยู่เหมือนกัน ที่มังกรเห็นดังนั้นจึงรีบว่ายเข้าไปหาเพื่อที่จะช่วยน้องกระแสน้ําพัดแรงมากขึ้นด้วยความที่เขาและน้องเล่นน้ําอยู่ค่อนข้างไกลจากฝั่งและกระแสน้ําที่พัดแรงทําให้ทั้งคู่หมดแรงลงและจมน้ําตายทั้งคู่สร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวเพื่อนๆและคุณครูที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก หลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางโรงเรียนจึงประกาศไม่ให้นักเรียนไปเล่นน้ําช่วงฤดูนี้เป็นอันขาดเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุอันน่าสลดใจขึ้นมาอีกหลังจากที่พี่มังกรเสียชีวิตไปพร้อมกับน้องก็เริ่มมีเหตุการณ์อันน่าสยดสยองเกิดขึ้นในโรงเรียนห้องเรียนของพี่มังกรแต่เดิมนั้นเคยเป็นห้องน่าจะศีลมาก่อนที่หลังห้อง จึงมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่และที่ตรงนั้นมักจะมีคนเห็นเงาดำของเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในกระจกรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อนของพี่มังกรซึ่งนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆกันเนื่องจากว่าช่วงนั้นเขาป่วยจึงลาหยุดไปหลายวันเพราะกลับมาเรียนต่อก็ไม่ทันได้รู้ข่าวคราวการเสียชีวิตของพี่มังกร เขามาเรียนและก็พูดคุยกับเพื่อนตามปกติจนถึงคาบเรียนหนึ่งขณะที่ครูกำลังสอนอยู่นั้นก็สังเกตเห็นว่ารุ่นพี่คนนั้นหันไปมองที่ด้านหลังคุณครูหยุดดูเพื่อนๆทุกคนในห้องต่างหันไปมองด้วยความสงสัยเพราะเห็นว่าเขาหันหลังไปแล้วเหมือนกับว่าจะพูดอยู่คนเดียว สายตากลับหันไปมองอย่างโตที่ว่างเปล่าครูจึงเดินเข้าไปถามว่าคุยกับใครอยู่ลาวรุนพี่คนนั้นก็ตอบว่าผมคุยอยู่กับไอ้มังกรครับไม่รู้มันเป็นอะไรหน้าตามันดูไม่ค่อยดีเลยเมื่อได้ยินดังนั้นคุณครูก็ตกใจมากแล้วพูดว่านี่เธอมังกรจมน้ำตายตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะ รุ่นพี่คนนั้นก็ตอบว่ามันจะตายได้ยังไงครับคุณครูก็มันนั่งอยู่ตรงนี้ผมยังคุยกับมันอยู่เลยแล้วเขาก็หันหลังกลับไปเพื่อจะชี้ให้ดูว่าที่มังกรนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเขาหันกลับไปโต๊ะและเก้าอี้ตัวนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยมีเพียงรอยน้ำฉ้นฉืนอยู่ตรงบริเวณโต๊ะและเก้าอี้เท่านั้น เขาถึงกับหน้าถอดสีเลยทีเดียวเรื่องนี้ดังมาจนหลายๆคนกลัวไม่กล้าที่จะทำเวรในตอนเย็นเพราะกลัวว่าจะเจอใครอยู่ในกระจกบานใหญ่ที่ไม่ใช่ตนเพื่อนห้องข้างๆเรามาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมันลืมของไว้ที่ชั้นสามของตึกเรียนตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วมันกลัว ไม่กล้าที่จะขึ้นไปคนเดียวเพราะบรรยากาศในตอนเย็นที่ไม่มีคนอยู่มันก็วังเวงอยู่เหมือนกันจึงชวนเพื่อนอีกสองคนขึ้นไปด้วยทั้งสมคนเดินผ่านชั้นสองซึ่งเคยเป็นห้องเรียนของพี่มังกรตอนเดินขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขาที่จะลงทั้งสามก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องและกําลังลากเก้าอี้อยู่ จึงพากันเดินไปดูด้วยความสงสัยแต่เมื่อไปถึงที่หน้าห้องนั้นก็เห็นว่ามีกุญแจล็อกอยู่ด้านนอกจึงมองผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงแสงสลัวความเงียบและความวังเวงเพียงเท่านั้นทั้งสามคนรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นแล้วกลับบ้านในทันทีรุ่นพี่บางคนก็บอกว่า หลังจากทำเวรกวาดพื้นยกเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะเสร็จแล้วหอหันกลับไปอีกทีก็เหมือนกับว่ามีใครมายกเก้าอี้บางตัวลงบางครั้งก็เห็นมีรอยน้ำปริศนายดเป็นทางเหมือนกับมีคนเดินอยู่ในห้องพอเวลาผ่านไปเรื่องราวแปลกๆก็ค่อยๆเงียบหายไปแล้วก็ลืมกันไปเราก็ได้แต่หวังว่า ขอให้ดวงวิญญาณพี่เขาไปสบายเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและเราก็อยากจะเตือนทุกคนว่าไม่ควรไปเล่นน้ำตอนฤดูน้ำหลากหรือไปเล่นน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพราะถ้าหากเป็นอะไรไปคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่ของเรานั่นเอง 怎么使用？